เมื่อเสียสงไข่ยยิ่งด้วยแสนมหากับพระบรมศาสดาตอนนั้นเป็นสุเมธาดาบทนี่ยนะตอนนั้นน่ยในเสียสงไข่มีนครชื่อว่าอามรวดีเป็นแดนที่น่ารื่นลมประดับไปด้วยเสียงสิประการเป็นต้นเนี่ยเมืองนั้นก็เพียบพร้อมไปด้วยองค์ประกอบต่างๆบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยกามกุณและก็รัตนะทั้งเจ ตอนนั้นท่านก็เล่าประวัติของท่านพระพุทธเจ้าเล่าประวัติเราเป็นพรามณ์มีนามวสุมเมทะในนครอมรว ด, ดีมีทรัพย์สมบัติหลายโกดก็คือมีทรัพย์สมบัติมากมีสมบัติแล้วก็ข้าวเปลือกมากมายเป็นผู้คงจะเรียนด้วยทรงเวทได้ด้วยถึงกว่าฟังแห่งไตเพรก็คือท่านเรียนอย่างจบวิชาของพราหมเขาในยุคนั้นน่ยท่านนั่งอยู่ในที่รับ และท่านก็ดำลี่ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเนะี่ยในภพใหม่เนะี่ยเป็นทุกข์นี่แปลว่าท่านเข้าใจยังเนี่ยเมื่อเสียสงขข ย, ยิ่งด้วยแสนกลับที่นับไม่ได้เนะี่ยแปลว่าท่านเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดชัดแล้วท่านบอกว่าการเกิดในภพใหม่นั้นประกอบด้วยชาติทุกข์ชราทุกข์พยาทุทกข์โมรณาทุกข์แล้วก็ไม่พ้นจากความโศก ค, ความล่าไรลาพันธ์หรอกไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจ การแตกทําลายของร่างกายก็เป็นทุกข์การตายด้วยความหลงก็เป็นทุกข์ถ้าถูกชลาย่ํายีเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์นะถูกชราย่ายีก็เป็นทุกข์ท่านก็เลยบอกบอกว่าในการนั้นเรามีปกติมีความเกิดแก่และป่วยไข้เป็นนิดเนี่ยท่านคิดจักสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายที่ท่านใช้คําว่าชาติดัมโมชร า, าดัมโม พยาดิดำโมสังตาธาอาชรังอมาตังเคมังปริเยสิสามิพุติบอกว่าในการนั้นเรามีปกติมีการเกิ ด, ม, กกกดมีปกติก็คือแก่เจ็บป่วยไข้เป็นนิดเราจากสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายอันเป็นแดนเกษมนี่เบื่อการเกิดมาแล้วเนี่ยแปลว่า ตอนนั้นนะ่ะท่านเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านก็บอกว่ายันนูนิม ah ังป an oh ุต oh ิกายังนานากุณาปปุริตังชาติยิตวานาัชฉยังอนาเปโคอนาธิโกท่านก็บอกฉันไหนหนาะเนี่ยเราพึงเป็นผู้ไม่เหลี้ยวแล และก็ไม่ต้องการสรีระที่เน่าเหม็นเนี่ยที่เปื่อยเน่านี้อันเต็มไปด้วยซากศพโดยประการละต่างๆถ้าเริ่มมาวิจัยตัวเองแล้วว่าสรีระเนี่ยมันเต็มไปด้วยของเหม็นใช่ไหมมันเน่าเหม็นไหมมันเน่าเหม็นด้วยแล้วเต็มไปด้วยซากศพต่างๆด้วยถ้ามาพิจารณาก็จะเห็นว่าท่านทราบ แล้วว่าในสรีระนั้นเต็มไปด้วยขอ ง, ไ ม, ไ, มงมไม่สวยไม่งามเลยไม่สวยไม่งามเลยทางหลุดพ้นนะั้นมีเป็นแน่จากมีเป็นแน่แท้ไม่ได้ไม่มีนะท่านจะแสวงหาหลุดพ้นนะเพื่อพ้นไปจากกามาพบรูปพบแล้วก็รูปพบแปลว่าท่านปรารถนาที่จะพ้นไปจากวัฏฏสงสารแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าเมื่อทุกมีอยู่ สุขต้องมีไหมถ้าทุกมีสุขก็ต้องมีชั้นใดถ้าพบมีอยู่สภาพที่สิ้นจากพบมีไหมอะไรคือสภาพที่สิ้นจากพบพระนิพพานไงพระนิพพานเนี่ยพ้นจากพบพ้นจากกามาพบรูปประพบและอรูปประพบเมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นมีไหม เมื่อราคะเป็นไฟกองที่หนึ่งมีอยู่โทสะเป็นไฟกองที่สองมีอยู่โมหะเป็นกองไฟกองที่สามมีอยู่แล้วสภาวะสภาพที่ดับไฟทั้งสามกองจะต้องมีไหมมีก็คือพระนิพพานไงก็ตอนนี้ราคะในใจมีอยู่ความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินมีโทสะความโกรธก็มีอยู่ โมหะความรุ่มหลงก็มีอยู่และสภาพที่ดับไฟทั้งสามกองต้องมีไหมความชั่วมีอยู่ใช่ไหมความดีก็ต้องมีเมื่อชาติคือความเกิดมีอยู่ความสิ้นชาติต้องมีไหมความสิ้นชาติคือสิ้นการเกิดต้องมีไอสภาพที่สิ้นจากชาติคือการเกิดนั่นคือพระนิพพานเมื่อบุคคลตกตกหลุมคูณ ในสระน้ำที่เต็มบอกว่าถ้าตกหลุมคูดรู้จักหลุมคูดไมโยมเลยหลุมอะไรเออหลุมอุจจาระโอ้ยนกว่าไม่รู้เห็นนั่งซึมๆหลุมคูดก็คือหลุมอุจจาระถ้ามองเห็นสระข้างหน้ามีอยู่และน้ำก็เต็มใสสะอาดการไม่ออกหรือไม่ตะเกียรตะกายออกจากหลุมคูด แล้วเข้าไปอาบน้ําในสระเป็นความฉลาดไหมฉลาดหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าข้างหน้ามันมีสระน้ําเต็มใสด้วยแต่ตัวเราตกในหลุมคูดมิดคออยู่เนี่ยถ้าไม่ตะเกียร์ตะกายปีนออกไปเนี่ยถือว่าเป็นความฉลาดหรือความเขาเป็นความเขาวชั้นใดพวกเราก็ชั้นนั้นแหละใช่ไหม <c oughs> ก็ตอนเนี้เรากําลังตกอยู่ในหลุมคูดไหมเนี่ย ก็ที่สะอาดมีอยู่ทาไมไม่ไมกระเสือกอกระสนไปตอนนี้เม่าใช้คาว่าแต่ไม่แสวงหาสาระน้ำไม่ใช่เป็นความผิดของสระน้ำเม่ชั้นใดไม่ใช่ความผิดของสระน้ำเลยฉะนั้นพระนิพพานมีอยู่แท้ๆการที่เราไม่แสวงหาทางหลุดพ้นนั้นเน่ไม่ใช่เป็นความผิดของสระน้ำาแต่เป็นความผิดของบุคคลที่กำลังตกอยู่ในหลุมคูนนั่นแหละ เมื่อสระน้ำที่ชาระมวลทินคือกิเลสมีอยู่แต่บุคคลไม่สแสวงหาสาระน้ำไม่ใช่ไปโทษสระน้ำไม่ได้จะไปโทษสระน้ำไม่ได้ว่าทำไมเราจึงไม่สามารถชาระมวลทินได้ถ้าเราถูกศัตรูแวดล้อมอยู่ศัตรูแวดล้อมอยู่ทางที่จะปลอดภัยและหนีออกจากวงล้อมของศัตรูได้มันมีอยู่แต่บุรุษนั้นไม่ยอมหนี ออกในทางที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นความผิดของทางอตอนนี้เราถูกแวดล้อมด้วยอะไรเนี่ยด้วยมรณภัยต่างๆไหมถูกแวดล้อมด้วยกิเลสต่างๆมากมายแต่ทางออกมีอยู่คือมัชฌิมาปฏิปทานะมีอยู่แต่เราไม่ยอมเดินตามทางนั้นพระศ า, าสดาก็บอกทางไว้แล้วแล้วท่านก็ น, นอนปรินิพานให้ดูแล้วเนี่ย เนี่ยการตายแบบเนี้ยคือตายแบบไม่ต้องลุกอีกในสังสารวัตรการตายแบบไม่ต้องลุกอีกในสังสารวัตรเราไปเราก็ไปรับโอวาทกันมาแล้วไงแต่นี้การจะขวนขวายเนะี่ยอยู่ที่เราแล้วอยู่ที่เราแล้วข้อมูลเริ่มได้ขึ้นมากแล้วใช่ไหมฉะนั้นการที่เราจะขวนขวายในการที่จะเร่งรีบในการที่จะพิจารณาหรือวิจัยทั้งหลายเหล่าเนี้ เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเพียรพยายามในการที่จะประกอบและในการที่จะประกอบความเพียรที่ตรงนี้แล้วเมื่อทางปลอดภัยมีอยู่บุคคลถูกกิเลสลุ่มเร้าแล้วไม่แสวงหาทางนั้นไม่ใช่เป็นความผิดของทางเมื่อบุคคลที่ป่วยไข้มีอยู่ถามบอกว่าตอนนี้เจ็บป่วยถ้าหมอมีอยู่ไม่ไปหาหมอเป็นความผิดของหมอหรือเป็นความผิดของคนไข้ ไอ ต, ตอนนี้เราถูกโรคคือโรคกิเรียตทิ่มแทงเป็นระยะระยะอยู่เนี่ยถูกทีหน้ามิธาทิ่มแทงอยู่ไหมถูกหรือไม่ถูกทีหน้ามิธาที่หดหู่ท้อถอยมันทิ่มแทงอยู่ไหมเนี่ยไม่ทิ่มเลยเลยแล้วไม่ยอมไปหาหมอ <laughs> ก็ป่วยจนขนาดนี้แล้วไม่ยอมไปหาหมอเป็นความผิดของคนไข้เลยเนี่ยอาการโคม่าแล้วอาการหนักแล้วนะ ต้องไปหาหมอใครคือหมอพระพุทธเจ้าเมื่อกี้เราไปมาแล้วใช่ไหมไปเบดเสร็จตอนนี้ถอดเข็มออกอีกแล้วอย่างเราเนี่ยมันต้องเสียบสายน้าเกลือไว้ตลอดอคนไข้โค ม, มา่าคนไข้อาการหนักเนี่ยเข้าใจอย่างเนี้ยนี้เป็นคนไข้ระดับนั้นแหละต้องให้สายน้าเกลือมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาบางคนไปหักสายน้าเกลือดยนี้ ไม่ยอมรักษาฮะอาการดีเลยดูดิเงี้ยน่ะโอ้แล้วไปรับยาผิดหรือเปล่าเก็บเราคิดยังไง เอไปอุปถากรพระเจ้าน่อสถานที่ักศอย่างเช่นที่สมเด็จไปแล้วก็มี ใ, ใครก็ไปทำอะไรที่ตกล่ไว้ในนั้นเ อ, อดีแล้วเป็นเป็นกุศลประเภทไหนรู้ไหมแยกไม่ออกอีกเขาเรียกเป็นจารีตศีลเออไปอุปถากรศา ส, สดานะเป็นจารีตศีล น, นั่นแหละกายกรรมที่ทำนั้นเป็นกายกรรมที่เป็นศีล วจีกรรมก็บอกไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ขอนะปฏิบัติปฏัตกวาดอุปถาพระพุทธภาคเจ้าวจีกรรมเป็นวจีกรรมที่เป็นศีลใจที่ทําด้วยความนอบน้อมเป็นมนโนกรรมที่เป็นจาดีศีลนะไม่ใช่ทําไปใครมาทําเพื่อนกันไว้เนี่ยเหม่เนี่ยอย่างนี้ไม่มีศีลเลยกายก็ไม่มีศีลวาจาก็ไม่มีศีลจิตใจก็ไม่เป็นศีลต้องทําด้วยความนอบน้อมนะ มัมีไหมเป็นนั่งอยู่ใต้ตรงที่ปริณิพานแล้วไปนั่งสบงับกงบกึบกๆบนะี่มีไหมอา้าวมีไม่มีสารภาพออกมามีไหมมีไหมไปปล่อยให้บาปเกิดต่อหน้าพระศาสาดาที่ปริณิพานมีไหมมีไหมยกมือดิมีมั้ยอ๋อมีเหมือนกันนีน่ยน้องกล้าสารภาพดีกว่าข้าพเจ้าเป็นนั่งทำบาปต่อหน้าพระเจ้าผมว่ามีเหมือนกันมาไปนั่งสับงก ที่จริงไปนั่งอย่างนั้นมันสะเทือนใจเนี่ยเออมาไปได้ไปเห็นคำว่าคำคำหนึ่งเนี่ยท่านใช้คำว่าสังเวคายานะเนี่ยคำว่าสังเวคายานะเนี่ยสังเวคยานะก็หมายความาว่า เหตุใกล้สุดของสังเวชญาณนะก็คือพิจารณาฐานะ8ประการพิจารณาถึงชาติทุกข์ชาติภัยภัยใหญ่คือการเกิดชะลาภัยภัยใหญ่คือความแก่พยาธิภัยภัยใหญ่คือการเจ็บไข้มรณะภัยภัยใหญ่คือการตายเนี่ยแล้วก็พิจารณาถึงอบายภัย ภายในวัตตาสงสารที่จะต้องไปหมกไหมในไบรรยภูมิถ้าเรารู้ว่าลมหายใจขาดเราจะเป็นอบายสัตว์ใครจะกล้านั่งหลับไหมกล้าไหมว่าไปแน่ๆว่าจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วก็จะต้องเจ็บปวดนี่ถ้าเห็นภัยใหญ่ตรงนี้ที่รออยู่ข้างหน้าจริงๆกล้าหลับหัหย ไม่กล้าหรอกทินที่จริงถามว่าเราเราเชื่อสังสารวัฏไหมเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมฉะนั้นตรงเนี้ยที่พระบรมศ า, า, าสดาท่านแสดงบอกว่ายาถาอริหิปริวุโธเวจันเตขมานำปะเทนาปรายติโสปุริโส นาโทโสอาชาสาสะโสเอวังกิเลสปริร so ุดโยโถเวชมาเนเสิเวปเทนาคเวสติตังมาขังนาโทโสสิวามัญชเชสีอัาปีพยาธิโตภุริโสเวชมาเนติกิตชาเก นาติกิจชาเปติตังบยาทีนาโทโสโสติกัตชาเกบอกว่าบุคคลที่ถูกศัตรูร้อมไว้เมื่อทางสำหรับจะหนีไปมีอยู่แต่ไม่หนีไปนั้นไม่ใช่เป็นความผิดของทางฉันใดเมื่อทางปลอดภัยมีอยู่บุคคลผู้ถูกกิเดือดรมเราแล้วไม่แสวงหาทางนั้นไม่ใช่ความผิดของทางชันใด บุคคลพูดป่วยไข้เมื่อหมอมีอยู่แต่ไม่ไปรักษาเยียวยาจะไปโทษหมอไม่ได้ชั้นใดเมื่อผู้มีทุกข์ถูกโรคคือกิเลสบีบคันแล้วไม่แสวงหาอาจารย์นั่นไม่ใช่ความผิดของอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าเราเป็นผู้ไม่เลี้ยวแลและต้องการสระกายที่เปื่อยเน่าอันสะสมซากศพต่างๆนี้ไปเถิด เหมือนบุตรลังเกียจซากศพที่ผูกไว้ที่คอแล้วเปื้องออกก็จะมีความสุขมีเสรีมีอำนาจตามลําพังตนเองฉะนั้นนีท่านทิ้งเลยตรงนั้นท่านบําเพ็ญเนกขมาบารมีและบําเพ็ญเนกขมาบารมีเพื่อที่จะแสวงหาพระนิพพานนะตอนนั้นนั่นแหละที่ท่านก็ออกบวชหลังจากออกบวชเบีดเสร็จแล้วเนี่ยนะอยู่ต่อมาไงท่านก็มาพิจารณาหลังจากได้สมาบัติ ถ้ามามองอย่างน okay. well, allora <Yeah. S 3> ี้นะตอนนั้นน่ยพระบรมศาสดาพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นท่านเสด็จเออตอนนั้นท่านได้สมาบัติอยู่เนี่ยตอนที่พระบรมศาสดาประสูตดท่านก็ไม่รู้ตอนที่พระบรมศาสดาตัสรูุณุตราสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ไม่ทราบตอนที่พระบรมศาสดาแสดงพระธรรมจักรให้เป็นไปท่านก็ไม่ทราบอีกเพราะท่านไปอยู่ในสมาบัติ เห็นั้ยจังหวะเดียวกันนั้นท่านจะเข้าสมาบัตตลอดตอนที่พระศาสดาประสูตรเราสะดุ้งสะทือนมั้งไหมเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยตอนพระศาสดาตรัสรู้ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่สะดุ้งสะทือนมาสอง0ันกว่าปีไม่รู้เป็นอะไรเลยใช่ไหมตอนพระศาสดาแสดงธรรมจักรก็ไม่ทราบที่หนักไปกว่านั้นพระศาสดาปรินิพานแล้วยังไม่รู้เรื่องเลย หรือไปเข้าสมาบัติอยู่เคยสงสัยตัวเองไหมว่าไปเข้าสมาบัดอยู่หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่แล้วใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ตรงนี้ท่านก็นมาพิจารณาบอกว่าก้อนดินที่ถูกขว้างไปในท้องฟ้าย่อมจะตกลงสู่พื้นดินแม้ชั้นใดนะพระดำรัดของพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านก็นมาหลังจากนั้นนั่นแหละ ท่านก็ไปพิจารณาและในสุดจริงๆท่านก็ออกมาจากป่านั่นแหละและดังที่ได้เคยเล่าไว้แล้วก็คือว่าท่านเหาะมาแล้วก็มาเจอบุคคลที่ก็กำลังเพ่วางทา ง, ทางถวายพระบรมศาสดาพระทีพังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าในครั้งนั่นและท่านก็ลงมาก็ทำท่านตื่นเต้นมากว่าได้ยินคาว่าพุโทโธพุโทโธนี่ที่เรามาตอนที่ปรินิพพานของพระส า, าสดานี่เราตื่นเต้นไหมมีความรู้สึกว่า กลับไปนี่อะไรดีๆต้องเกิดขึ้นในชีวิตไหมคิดอย่างนั้นไหมต้องเปลี่ยนแน่นอนไหมแ น, น, น, น่นอนไหมโอ้หน้าโมทนาเนี่ยเนี่ยจารณาคมเนี่ยคิดว่าจะชัดเจนขึ้นไหมพุทธรัตน์ธรรม ร, รัตน์สังกัตนะใครยังคิดกลับไปยังน้อมอยากจะบนบานสารกล่าวอยู่ไหม ตรงนี้พระาศาสดาตรัสเขาไว้ไงบอกว่าสาหรับผู้ที่ไม่มั่นคงในพระตนรตรัยอะ่ะพระาศาสดาบอกว่าพระหุงเวสรณานายันติปปปานิวา น, านิจาเป็นต้นอะไเนี่ยท่านบอกว่ามนุษย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยมาหาพระาศาสดากันก็ตั้งหลักไม่ถูกเราเป็นประเภทนั้นหรือไม่นะพระาศาสดาตรัสเขาไว้บอกว่าพระหงเวสรานายันติ ปภัตานีวานิจจาอารามรุกขเจตยานีมนุษาพยาตะชิตาเนตังโคสระนังเขมังเนตังสรณมุตามังเนตังสรมะมากามาสบาโดคาปตมจติ โยจ่าพุทธันจะาดัมมัญจ่สร้างขัญจ่าสารนังคาโตจตาริอริยสัจญานีสัมปัญญาญาปสติทุกขังทุกขสมุปาดังทุกขซาจะอธิกามังอริยังอทังกิกังมาขังทุกคูปสัมมาณะ มีตังเอตังโคสารนางเขมงเอตังสารณามุตามังเอตังสารณามากา ม, มาสบบาโดคาปโมจติบอกว่ามากจริงๆนะสารณาที่คนนับถือมีทั้งภูเขาใช่หมมีทั้งป่าไม้มีทั้งรุกขเจดี คนนับถือกันเยอะไหมไปก็ไปไหว้ไปสักการะไปบูชากันเต็มหมดเลยเนี่ยพระศาสดาก็บอกว่าสําหรับมนุษย์ผู้ถูกภัยคือความเกิดแก่เจ็บตายคุกคามเนี่ยและพระศาสดาก็บอกว่านั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเพราะบุคคลอาศัยสารณะนั้นแล้วพ้นจากทุกได้ไหมพ้นจากวัฏทุก์ไม่ได้ส่วนผู้ใดถึงพระเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสารณะ แล้วพัฒนาจากสารณคมเป็นไปตามลำดับจนสามารถไปแทงตลอดอายุสัตย์สี่คือแทงตลอดทุกขโดยการกําหนดรู้แทงสมุทรไทยด้วยการละแทงตลอดนิโรธ ด, ด้วยการทําให้แจ้งแล้วก็อบรมอริยมรดุด้วยการเจริญบริบูรณ์แล้วถามบอกว่าเขาสามารถดับทุกได้นั่นเป็นสารณะอันกเกษมนั่นเป็นสารณาอันสูงสุดถ้าเขาอาศัยสารณานั่นแล้วเขาจะพ้นจากวัาแตทุกขเป็นต้น แล้วก็มาพิจารณาตัวเราโนอตอนนี้ว่าสาระเราแข็งแรงหรือยังยตรงนี้ถ้าพิจารณาอย่างนี้นะระหว่างปรินิพานสถูป ก, กับที่วัดกุสินาราเฉลิมราชตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ย น, นะในสองส่วนเนี่ยห่างกันถึงกิโลไหมประมาณกิโลได้ไหม ถ, ถึงกิโลไหมอา้าว จากปรินิพานสถุบมานี่ถึงกิโลไหมไม่ถึงนะเอาลองคำนวณลองคำนวณพิกษุอยู่นะนะเดีย๋ยวจะคำคำนวณให้ดูนะในวันปรินิพานของพระบรมศาสดานะพระาศาสดานี่ประกาศศาสนาอยู่กี่ปีนะกี่ปีสี่สิบห้าปีนะโยมบุญชัยนะพระบรมศาสดานี่ประกาศพระาศาสนาอยู่สี่สิบห้าปี เทศนากันแรกคือธรรมาจากขกปวัชนะสูตรท่านอัญญาโกณัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมพรหมอีก18โกดเนาะพรหมอีก18โกดได้บรรลุแล้วนะพอเทศนากันที่สองใช่ไหมอนัตตรกชณะสูตรแต่แสดงปกิณากะเทศนาในระหว่างใช่ไหมท่านปัญจวัคคีทั้ง5ได้เป็นได้ดวงได้เป็นพระอรหันต์กันหมดเลยเราไปดูไปแล้วใช่ไหม และในพรรษานั้นพระทหารอุบัติเกิดขึ้นตะไล60บวกกับพุทธเจ้าด้วยเป็น61เนะพอออกพรรษาพระบรมศ า, าสดาเข้าไปเทศนาโปรดชดิน3พี่น้องพร้อมได้บริวารแต่ก่อนจะไปนั้นผ่านพระทวักขี่กุมารอีก30ได้บรรลุเนี่ยนะแล้วก็ไปโปรดชดิน3พี่น้องพร้อมได้บริวารอีกได้บรรลุ 1,000 งนนี่นะแล้วต่อมาไปเทศโปรดพระเจ้าพิมพิสาร อนุปปีคาถาห้จบลงด้วยระยะสัตว์สีบรรลุ11บเอ็มืนอีกหมื่นหนึ่งประกาศตนถึงสารณะและตั้งแต่นั้นพระธรรมก็ปลูพระเจ้ากับหมุนธรรมจักรเยอะเลยแปลว่าสัตว์ได้บรรลุกันเยอะมากนี่ในกรุงราชคลีนี่นับไม่ได้แล้วต่อมาพระพุทธเจ้าไปไหนภาษาริบุตรก็ได้บรรลุพระมคคลลานะก็ได้บรรลุและบริวารอยู่ก็เยอะเลยใช่ไหมประชุม โอวาทปาดิโมกที่เวรวนเท่าไรนะ้ภิกษุเท่าไรนะเฉพาะภิกษุเนี่ยไม่ได้นับอุบาสกบาสิกานั่นนะแล้วอนาถปินฑิกาเศรษฐีก็ไปบรรลุที่เวรวนแล้วก็จาริกกลับไปเดินทางจากจากกรุงราชเกลือกับสาวัตถีแล้วนิมนต์พระเจ้าไปจำปัสสาที่เจดวันอยู่ไหมแล้วพระเจ้าก็ไปโอ้โหไม่ไ ม, ม่ไปทั่วเลยเต็มนี้ กบินลพัดนิโคทารามแถวนั้นที่เราจะไปกันมันก็บรรุนับไม่ได้พรสูตรเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะที่เชตวันก็หูเยอะมากโดยเชตวันเนี่ยที่ว่าประชากรเจ็ดโกรดได้บรรลุทะ5ห้าโกรดห้าสิบล้านนึงเห็นไหมเนเป็นภรรยาห้าสิบล้านคนแล้วไม่ต้องนับที่อื่นเวสาลีเท่าไหร่ใช่ไห ปาวาแสดงเยอะแยะไปหมดแม้แต่นายยุทธะกรรมบรบุบตรก็เป็นวสดาบันนั่นนแต่บรลุกก่อนหน้าที่จะถวายสุกรแลมาถวาด้ยสยซ้ำไที่ใกล้ๆตรงนี้นี่เรามองเส้นทางแล้วคิดไหมว่าวันที่พระศ า, าสดาของเขาปณิธา น, นผ่านเขาจะมากันไหมมาไม่มาก็ขนาดเราเป็นบุรุษชนยังมาเลยและพระระยาเนี่ยใจของท่านผูกไว้กับพระรัตนตรัยเนี่ย ถามว่าคิดว่าจะปริมาณคนเท่าไหร่ลองคิดดิพระเจ้าแสดงแสดงวันขึ้นไปเทศนาบนสวรรค์ที่สรรษาที่6เนี่ยสัตว์ได้บรรลุกันสองร้อยล้านเนี่ยวันสเสด็จลงจากดาวดึงไปอยู่จำปรสสากลับมาที่สังกษานครห่างจากสาวกทีไปสี่ร้อยกว่ากิโลเนี่ยที่ประตูสังกษะนั้นได้บรรลุสามร้อยล้านไปที่แปดหมื่น 84, แผมื่นสี่พันนี่ไม่ต้องพูดอีกเยอะแล้วคิดว่าตรงนี้จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนไหมวันปรินิพานของพระศ า, าสดาเอาก็นับแค่พระอริยก็นับไม่ไหวแล้วนี่ไงจะได้รู้ว่าที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยพระอริยนั่งกันเต็มหมดแล้วเข้าใจอย่างแต่เนี้ยว่าเราไม่ควรมานั่งให้บาปเกิดจริงๆ เออเราเราตระหนักในคุณท่านไหมเนี่ย <c oughs> เข้าใจยังแต่เนี้ยไม่ควรให้บาปเกิดในกระแสของวิธีคิดความคิดจริงๆนะเนี่ยที่ตรงเนี้ยแล้วตรงนี้ก็สร้างถวายใครเนี่ย <c oughs> เออยิ่งเป็นสมบัติของพระเจ้าเอ้เนี่ยเขายังบูชาพระเจ้าแล้วเรามานั่งเอาอะไรบูชาอะไรเรามานั่งฟังธรรมใช่ไหมขน้อมถวายส ก, การะบูชาสิฮะ เออน่าคิดไหมว่าทําไมเราชอบให้บาปเกิดทั้งๆสถานที่นี้เขายังถวายพระเจ้ากันทั้งนั้นเนี่ยเออคิดอย่างนี้เนาะอย่างนี้พอคิดได้ไหมโยอมบงคลพอคิดได้นะอะแล้วถ้ามันเพียจะทำไงถ้ามันเพียก็ทนเราใช่ไหมโ ย, ยอมบงคลว่าอามาเพียไหมไม่อามาไม่เพียรหรอกอามาไม่เพียรหรอกทําไมถึงไม่เพีย อามาเป็นคนนอนน้อยมากนอนน้อยมากๆนอนตาก็สว่างอยู่ในตามานอนน้อยมากๆยังเมื่อคืนเนี่ยเที่ยงคืนยังไ ม, นนนา ม, าไม่นอนเลยอมืนไม่ได้นอนเลยพอตีสี่บ้านเราก็ตื่นแล้ว ที่สี่บ้านเรานี่ที่นี่เท่าไหร่เห็นไหมแค่นั่งก็ตื่นได้คือจริงๆไม่ใช่มันมันมันก็มีบ้างนะแต่เเพียงว่าไม่รู้จะหลับยังไงเออมา น, นั่งคิดเดี๋ยวก็ต้องจากที่ตรงนี้แล้วไม่หลับไปทําไมเวลาหลับเรามันต้องเยอะแยะมันก็คิดยอย่างนี้จริงไหมและชีวิตของเราเนี่ย ชีวิตของเราเนี่ยบางทีเป็นงานทางโลกเราตื่นตาตื่นใจกันนึกเกินทําไมทําจริงทางจังทั้งชีวิตจริงไหมเอาจริงเอาจังแต่บริจาคเริศกุศลทาไมดูไม่ตื่นเต้นเลยนิพพ์อะไรเนี่ยเริ่มจะเข้าใจไหมงานทางโลกเราเสี่ยงชีวิตกันเลยในะบางทีบางท่านเสี่ยงชีวิตเลยนะเนี่ยทําเอาจริงเอาจังไม่รู้เอาใจใครก็ไม่รู้แต่จะทําถ่วายพระเจ้าซะหน่อยบอกลาพระเจ้ า, านี่โไม่เห็นทําลงทุนเท่าไหร่เลยเนะี่ย ต่อไปเราจะเอาใจใครเนี่ยเอาใจพุทธเจ้าดีกว่าจริงไหมเรารักภาษาสดารเนี่ยก็คิดอย่างนี้บางทีเนี่ยเราจะทํางานให้คนโน้นคนนี้ทำจริงจริงอย่างอย่างจริงมหมเอาเคยเป็นลูกน้องใครไหมเราก็ใช้ใช่ไหเป็นข้าราชการนี่แหละลูกน้องแหละทํางานให้ใครก็ไม่รู้โอยงอกงอกงอกงอกจริงไหมทั้งชีวิตเลยไออยู่ในฐานะเป็นสามีก็ทํางาน เป็นภรรยาก็ทํางานอยู่ในฐานะเป็นลูกก็ทํางานไม่รู้รับใช้ใครก็ไม่รู้รับใช้กิเลสเอาจริงเอาจังรับใช้กิเลสพอกิเลสขอร้องนี่โอ๊ยยอมทุกอย่างยอมแล้วจ้ายอมแล้วจ้าแต่พอมาถึงภาษาสดานี่ยภาศาสดาพูดแล้วเล่าบปลมแล้วอย่ฟังตาใสาๆเด่มดื้อด้วย น, นนะในภายในนะ่ะไม่ยอมทําตามซะ อ, อีกตาใสดื้อเออประหลาดไหมนะ ตอนนี้เราไม่เป็นยังน้นแล้วใช่มหมเพราะเราตั้งหลักใหม่แล้วตั้งหรือยังตั้งแล้วเนี่ยนี่ขนาดตั้งแล้วยังขนาดนเนี้ยเนยถ้าไม่ตั้งเลยสงสยัยว่าป่วยกันเป็นแถวฮะนั้นก็ตั้งหลกักตั้งวิธีคิดตรงนี้ก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าในวันที่พระบรมศาสดาจะปรินิพพานเนี่ย ครั้งนั้นนะถ้าพูดถึงในเรื่องของการบรรทมโดยอนุสัยยาแล้วก็ทรงยกย่องปฏิบัติบูบชาพระเจ้าตรัสกับพระนนท์ว่านนท์เราจักไปยังฝั่งแม่น้ำฮิลันยาวดีเมืองกุสินารางก็คือว่าพระ อ, องค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ไปฝั่งแม่น้ำนั้นรับสั่งให้พระนนท์ช่วยตั้งเตียงหันศีษะไปทางทิศอุดรระหว่างศาลาคู่ตรงนั้นนะ สมัยนั้นสาลาก็ผลิตดอกบานสะพั่งที่เล่าไปแล้วนั่นแหละคือคือพระบรมศ า, ศาสตร์ในที่ศาลานุนเนี่ยศาลาที่ามาไปแสดงธรรมมันเขาวาดเป็นภาพที่พระพุทธเจ้าเสด็จข้ามน้ําเออเขาท่าดีางนันเนี่ยาให้เรามองเห็นภาพตอนที่พระเจ้าป่วยอะตอนที่พระเจ้าป่วย ตอนนั้นก็คือว่าในสมัยนั้นดอกสาระทั้งหลายเนี่ยและก็กลุ่มเทวดาทั้งหลายก็โปรยปลายบูชาพระพุทธเจ้าเนดอกมนทารบอันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศใครใครทำให้ตกลงมามเห็นไหมก็บูชาเต็มหมดเลยฉะนั้นการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมประสาสดา น, นี่เป็นเรื่องเยอะมากทีนี้เด โรยปลายลงมายัางพระสรีละจุดแห่งจันทร์ทั้งหลายกองทิปกองทิปบรรเลงในอากาศใครเคยได้ยินดนตรีที่เป็นทิปบา้างไหมใช่ไหมนั่นแหละขนาดบางคนวัได้ยินดนตรีที่เป็นทิปเนี่ยแต่ยังไม่ไม่ค่อยจเจริญกุศลจริงเนี่ยไม่รู้ว่าได้ยินแบบไหนไม่้ายิ่งจริงๆน่าตื่นเต้นเลนีนน ดูก่อนนะนนท์ตถาคตจะชื่อว่าอันบริสัทส ก, การะเคารพนับถือบูชาด้วยเครื่องส ก, การะประมาณเท่านี้ก็หาไม่ได้ก็แปลว่าอะไรพระศ า, าสดาบอกว่าตถาคตสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยไม่ใช่เพื่อส ก, การะเหล่านี้นะเพราะว่าส ก, การะเหล่านี้ยไม่สามารถจะยังศาสนาของพระชินเจ้าให้อยู่ได้แม้ชั่วข้าวใส่ปากคำหนึ่ง ่งบูชาเนี่ยเพราะบุญของท่านผู้ใดก็สำเร็จแก่ท่านผู้นั้นไปแล้วแล้วเท่านั้นนั่นเองแต่พระศาสนาล่ะคือตัวศีลขาสามคือศีลสมาธิปัญญาจะสว่างลุ่งเรืองในกระแสชีวิตของสัตว์โลกมันลุ่งเลืองไม่ได้